ังธรรมกันต่ออีกนาะจากพวกเราที่ได้สอนเทยพระสูตรตธรรมาจา ก, กพัะพุทธัศนสูตรเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ธรรมาจากกัพะพุทธัศนสูตรนี้เป็นสูตรที่นำให้ถึงจุดหมายปลายทาง เหมือนเรือลำใหญ่เราพากันขึ้นเรือล้ำใหญ่เป่ข้ามฝั่งข้ามภาคให้ได้ทุกกีวิตเราจะยอลงเรือขึนยานยานเกิดก้นแล้วจเจอเราหมายถึงยานขนส่งให้ข้ามล่วง บทต่อสงสอนไอ้ต้องเรียนร้อยตายเกิดโดยปฏิบัติตามหลักอเลียจดสี่มีวิธีปฏิบัติในอเลี้ยจดสนี่ว่าองค์มรกมี แปดอย่างรวมกันเป็นเช่นทางอยู่ในชีวิตของเรานี่อะไรที่มันเกิดขึ้นขึ้นเรือลงขึ้นเดอลรมนี่เห็นถูกอะไรที่มันเกิด ข, ขึ้นกับปลากับใจ เข็นถูกทุกอย่างเก็นความหลงก็มไม่จชี่ยงแบบมันหลงก็มไม่หลงไม่เชียงแบบไม่หลงเยี่ยกับความอาการกต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับปา ก, กับผิดอย่างถูกต้องแม่นยมชัดเจนไม่หลงสอบชิงอาการที่มันเกิดขึ้นได้สะติัญญยม แล้วเกิดขึ้นยอนข้ามได้แล้วลายอนนี่มีไว้ให้เราได้ใช่เหมือนสะพานเพื่อให้เดินข้ามสะพานก็อยู่ที่นั่นแล้วแต่ใครจะเดินถ้าไม่มีคนเดินสะพานก็ไม่มีประโยชน์แก่คนที่เดินที่ไม่เดิน คนไหนที่เดินข้ามสะพานก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้สะพานเพื่อข้ามภาคในทางคำสอนก็เช่นเดียวกันขึ้นรวมรู้ศึกตัวถ้าใครมีก็เป็นของคนนั่นถ้าใครไม่มีก็ไม่ใช่ของคนนั่นไม่ได้ประโยชน์ อยู่ที่การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันมีในตัวเราให้ถูกต้องแม่นยามชัดเจนดักปฏิบัติจริงๆเข้มมีสติในกายปิปรจจุใครกาก็มีได้กายก็มีแล้ว ตัวตีก็มีแล้วประกอบกันขึ้นมาไม่มีความชำนาญบางคนไม่มีอยู่คนละที่ละทางไอยเถื่อนใจเถื่อนก็ไม่มีประโยชน์ตามการเวลาเราจะมาหัดกัน วนก็คือวันนี้นพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ที่เราจะใช้ได้ที่สุดคือวินาทีนี้ได้มีสติไปในกายทำได้ตามพูมประสงค์ไม่มีกลางคืนกลางวันอนเช่าสายวายเย็นไม่มีวันไห น, น, นคือวันนี้ถ้าเรามีสติก็เป็นประโยชน์ ได้เห็นได้ผ่านได้พ้นไรต่างๆมีสติก็เห็นอาการที่ตรงกันข้ามที่ไม่ใช่สติที่มันเกิดขึ้นกับความกับปิจใจเราจะได้บทเรียนจากจริงผิดจริงถูกสติใชเป็นพูดเห็นผิดเหนถูก เห็นเราก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นก็หลุดพน้นเห็นเลยก็พ้นทุกอย่างหลุดพ้นทุกอย่างเห็นหลงเห็นมันหลงพ่นจับความหลงถ้ามันมีให้เห็นก็ามาให้เพื่อความหลุดพ้นแั้ก็นั่งยาดผ่านไป เมื่อมีลูกก็ต้องมีสิ่งที่ผ่านที่ไม่ใช่ความรู้ไปเรื่อยอความรู้จักตัวเป็นกายก็ผ่านความไม่รู้เมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นก็ผ่านได้ทุกเรื่องนี่คือวันเวลาเป็นประโยชน์ต้านร้ยผ่านเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่มาเกิดกับปากกับใจเรานี่ นั่นเป็นปัจจตังปัจจุบันนี่เท่านั้นไม่ใช่ผู้นี่ไม่ใช่วันไหนถ้าวันนี้ไม่ผ่านไม่เดินผ่านผู้นี่ก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมไม่มีผู้นี่ไม่มีเมื่อวานนี้ผู้นี่ก็ไม่มีประโยชน์ที่ทำอะไรได้เมื่อวานก็ทำอะไรไม่ได้กลัวจะเป็นวันว่าเป็นวันนี้เดี๋ยวนี้กลัวจะเป็นผู้นี่ก็คือเดี๋ยวนี้วันนี้วินาทีนี้ ก่อให้เกิดขึ้นมานี่เราทำได้กมั่นใจตรงนี้มั่นใจวินาทีนี้มั่นใจที่มีสติไปในกายเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้มีสติยิ่งใหญ่มากกวามรู้สึกตัวเนี่ยมีอำนาจมีความเป็นธรรม โดยเพราะาพยากรรมฐานนี่ทันใจทันใจปจจต่องนาพร้อมกันมาไว้สติมาไว้ต่อหลอหัดให้มีสติไปในกายสติจะมาไว้ตัวในกายรดยใดที่มันคิดสติมาไวต่อความคิด มาก่อนนั่นอื่นมาก่อนความสุขมาก่อนความทุกข์มาก่อนความผิดมาก่อนความถูกต่าตีมาไวถ้าไม่หัดก็ช้าแต่ถ้ามันช้ามันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้แก้ไข เหมือนกับโบราณท่านว่างูใกล้นายแช่งจะวิ่งหาโคน้นมันก็ถูกงูกัดเอาจนกรงหลงหลงแล้วก็ไม่เฉพาะหลงอย่างเดียวไปไกลไปถึงอะไรต่างๆถึงพวกตังชาติถึงเชลามรละ ยังเกิดเจ็บเจบตายโ น, โน่นความหลงไปไกลทิ่งที่เกิดขึ้นกับความหลงมากมายควงลู้ก็ไปไกลทิ่งที่เกิดขึ้นกับความลู้ก็มากมายถึงมากถึงผลเห็นกันทุกคนทุกชีวิตไม่เกิดอยู่ที่อื่นเกิดอยู่ที่กายที่ใจ ที่รูปที่งามนี่เราก็มันใจที่นี่จึงไหนที่เกิดขึ้นกับรูปกิดนามเกิดกับกายกับใจเป็นปัจจิตตังของแต่ละคนต่างเวะลากันเราหลงเองก็ต้องรู้เองเราทุกข์เองก็ต้องรู้เองเราโกรธเองต้องรู้เองเราผิดเองต้องรู้เองถ้าได้รู้แล้ว เกี่ยวกับอาการต่างๆก็ถูกต้องหมดเหมือนก็เรามีตาเห็นแล้วก็พ้นถ้าเห็นแล้วก็หลุดพ้นได้อาวาที่รู้ที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ก็หลุดพ้นได้ทุกอย่างแต่จึงสร้างควอมรู้ขึ้นมาในกายของเราให้เป็นปัจจำ จะมาใช้ให้เป็นความรู้เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้หนึ่งวันเดวันมันจะเกิดไหลขึ้นมาให้พิสูจน์เรื่องนี้ไม่ต้องสรัทธาจนไม่มีสติปัญญาสรัทธามันต้องเกิดปัญญาแน่วแน่นี่สมบัตรู้วามรู้จากตัวดี หมือนคนเฝ้บ้านมั่นใจอะไที่มานอกจากความรู้ก็เห็นหมดเราศรัทธาตัวนี้ศรัทธาในความรู้สึกตัวที่มีในกายนี้ศรัทธาความรู้สึกตัวที่มีในจิตใจเหมือนกับจัดสายบังเหียนของชีวิตได้มั่นใจเหมือนคนขับรถขับเรือมั่นใจ เราขับกายขับใจด้วยมีสตินี่ยิ่งมั่นใจไม่เหมือนขับรถขับเรือขับช่างขับมามันอยู่ที่เราี่เองมันน่าจะปล่อยตัวเองทิ้งเวลาลูกจากตัวมันก็ช่วยดูแลกายใจให้ปลอดภัยจนไม่มีภัย ถ้าจริงถ้าจริงก็เป็นพระเาษีเจ้าได้ไม่เกินเจ็ดวันเดียวๆหนึ่งวันถึงเจ็ดวันเอยเช่งใครสสยใจใครดูแลมั่นใจเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแต่ลูกในอกของพ่อของแม่เร า, เาก็มั่นใจ ในความปลอดภัยของลูกต้ยแม่เป็นคนละอันก็ยังมั่นใจนี่มันตัวเราแท้ๆในกายในใจเรานี่ไม่มีสิ่งใดที่มั่นใจเท่ากับมีสติไปในกายไปในจิตใจมากกว่าอย่างอื่นปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกเป็นที่ชั่วผู้มีสติ ย่อมลกลศากายใจไม่มีพิษมีภัยตลอดเวลาให้ใส่ใจดูจะเป็นอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าได้ใส่ใจเรื่องนี้แล้วจะนั่งอยู่ที่นี่จะมีสติภายในกายนี้ ในเลือเ่อกเมื่อเอินกระดูกจะพูฟังไปค่อยตามแบบไม่หนีจากที่นี่ตายเป็นตายนีเท่านี้อย่างอื่นเท่าห ม, หมดแล้วโดออยจุดที่กระจายที่ใจนี่วิธีกรรมต่งๆแบบผิดๆหรือว่ากรรมสุขกรรนีการทกโยกุบหวนแอะกันไป อัฐิปฐาตโยกเอาเทียงกันใบทรมานตนเกินไปทามาหมดแล้วไม่มีใครทําเสมอพระพุทธเจ้าได้สไหยบำเพ็ญเพียรอยู่นอนเชื่อนนอนหน่อมาม่กินข้าวมากินน้ำไม่หายใจอะไรทุกอย่าง าลืมลืมจิตใจไปทรมานแต่กาอย่างเดียวจิต ใ, ใจใบางทียังโกรธปัญจวัคคีแม่ได้จบลุกจับนั่งก็ยังโกรธจังคิดถึงยังมีกิเลสตัณหาไม่ได้แต่ต้องเรื่องภายในเลยมาเอาแต่กายอย่างเดียว ่าทามาหมดแล้วตั้งหกปีมาได้ข้อมูลมาสรุปลงที่กายที่ใจนี่มีสติเท่านั้นที่จะดูแลกาจใจให้คุ้มไม่เป็นการมาสุขานุกายโยกไม่เป็นอัตตะยิมฐานุโยกจะเป็นกลางพอดีมีสติเห็นเห็นนี่เป็นกลางมีสติดูดูนี่เป็นกลาง อะไรที่เกิดขึ้นกับกายดูเห็นมันสุขที่กายเห็นมันสุขมาถึงเป็นผู้สุขเป็นกลางที่สุดเป็นมรรคที่สุดมีติตเห็นลมที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นลาค้าเป็นโทชาเป็นโอหาที่เกิดขึ้นกับจิตมีแต่เห็นมันไม่เป็นไปกับมันเป็นกลางที่สุด พาดได้ทุกอย่างที่มเกิดสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่เห็นมีสติรู้สึ ก, กตัวได้ปัญญาตัวนี้เห็นไม่เป็นตามหลักอริยสัจสีเลยทีเดียวเข้าวงเข้าโลกอริยสัจสี่ ผาตัดไปเลยเห็นไม่เป็นนี่แบบผ่าตัดไม่ต้องรูปคำเป็นอย่างนั่นองค์อริสัจจีองค์นักไม่แบบรูปคำสุขเป็นสุขแบบรูปคำทุกข์เป็นทุกข์ผิดเป็นผิดแบบรูปรูปคำคำมันยังมีอยู่เหมือนคนไม่เชื่อโลกโลกบางประเภทต้องผ่าตัด ไม่ใช่ป ร, รูปไปคำทำพิธีอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนโลกอนอื่นอันโลกของทุกทปมันเป็นหลักเสชาิพาตัดจากเดียวเห็นไม่เป็นเหมือนพทะเจ้าตรัสว่าจาโคสลัดคืนไม่เหข้าไม่มีที่อาศัย นี่คือเด็ดขาดสติถ้าเหมือนแฉก็จะเด็ดขาดไม่เกินสิบโลกยี่สิบโลกถ้าเจ๋งจริงๆนึงนะมันจะมีสมาธิตรงนี้วิไหนตรงนี้เหมือนเราท่าหนังสือถ้ามีสมาธิดีๆนี่สามมันทัดนี่เอา จ, จะสามโลกติดเลย ถ้าไม่มีสมาธิร้อยโลภผ่อนโลภก็ไม่ติดบากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งไคนละแบบวิธีฝึกกรรมฐานนี่มันมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งระเบียบวินยัยมีทั้งธรรมวินยัยใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยมีวิก็วิเศษในเยอกกันลำป่อย น้อมไปสู่ความวิเศษน้ามความรูปประมวลหลงไปสู่ความรู้ทุกครั้งมันได้ประโยชน์จากความหลงมันได้ประโยชน์จากความผิดมันได้ประโยชน์จากความถูกได้ประโยชน์จากความทุกข์น้อมไปสู่ความรู้สึกตัวแล้วก็เห็นไม่เป็นทุกครั้งทุกเรื่องทุกเราจริงไหนที่เกิดกับป๋ากับใจนี่น้อมไปสู่ความหลุดพ้นทุกอย่าง มันมีเพื่อหลุดพ้นไม่มีเพื่อเป็นการบ้านเป็นสิงอาการที่ข้างขาไม่ไม่เป็นจําเลยสิ่งที่มันมีเึ่นความหลงถ้าหลงเป็นหลงถ้าหลงเป็นหลงเราก็เป็นจําเลยความหลงถ้าทุกข์เป็นทุกข์เราก็เป็นจําเลยขอความทุกข์ถ้าโกรธเป็นโกรธเราก็เป็นจําเลยความโกรธ โกงโกดจะข้ามปีไปพุ่งนี้ใช่ไหมวันนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เห็นแบบบริษจัดสีไม่เห็นแบบองค์มากหนึ่งไปถึงจนเกิดเจเจ็บตายปฏิบัติข้ามปีลองโดยเ่งทิ้งไปเลยนะมันเก่าที่สุดมันใช่มาได้จริงสุด รวมหลงไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ขี่ช่างขี่ม้ามาเพราะที่จะรวมรับมันรวมทกุก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่าให้เป็นข้ามปีไปส่งท้ายมั่นใจตรงนี้มันก็ไม่ใช่อื้นอื่นภายโอกเกิดขึ้นใีกายที่ใหญ่เรานีงเราก็มีจิตที่ เราจะคุ้มครองก่าใจของเราร่วยวิสศติปัญญาเป็นไอซับภายในทำได้ทุกชีวิตเพราะนั้นปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีอะไรเจอะศักดิ์สิทธุกับการปฏิบัติวิชากรรมฐ า, านเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีกายเอามายกมือขึ้นกับลู่ทันที ลดลดมาที่นี่ไม่ต้องทำพิธีอะไรไม่ใช่เป็นศิลปะประาปมาติมีแต่พิธีรูปแบบเอาอันอื่นภายนอกอาศัยภายนอกอ้อนวอนจุดทูกจุดเทียนแนแต่สวดมนในกรการบริกรรม ก็จังเข้าไม่ถึงกายถึงใจจริงๆแต่เพียงภายนอกการเข้าถึงภายในหรือว่าปฏิบัติบูชาเข้าถึงภายในกายใจหรือว่าทำบุญในศาสน า, านอกจากกายใกใจทำบุญนอกศาสนา แต่ต้องเปิดที่กายที่ใจก่อนจึงเป็นภายนอกอให้ภายนอกเป็นภายนอกเช่นฉทาเราเชื่อมั่นอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันเกิดภายในก่อนพุทธบริษัทสมัยข้าพเจ้าเกิดภายในก่อนทวารเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจแสดงธรรม เกิดภายในก่อนจึงว่าเนะโมตระพระวัตโตอรหะโตสมมาสมปุระชะคุถังสระนังขจามิธรรมสละนังขจามิสองครังสละนังขจามิมันะเกิดภายในก่อนเมืนะ่อเกิดภายในแล้วก็แสดงออกภายนอกได้ประโยชน์แล้วจึง จึงมีอาชีพฉิกขาได้ทำเป็นเครื่องเรื่องชีวิตเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มขันไปฟังเทศทูตเจ้ามีขันมีท้องแก่บอกไปฟังเทศแล้วเกิดศรัทธาคำสอนเมื่อเกิดศรัทธาคำสอนก็ได้ประโยชน์ดุดพ้นจากทุก ได้ก็เว่าพุทธังสันังกชามิข้าวเจ้าขอถึงพระเจ้าเป็นสุรเดข้าวเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องปวงได้ตรรมังสันนังกชามิข้าวเจ้าถึงมาธรรมข้าวเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องพวงได้สังขังสันนังกชามิข้าวเจ้าถือพระสงค์เป็นสุนะขข้าวเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องปวงได้แม้ ลูกในคันของข้าพเจ้าก็ยังไม่เกิดขอถึงพระเจ้าเป็นเสด็ตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปลูกน้อยเกิดในครรภ์เพียงหกเดือนก็ถึงพระุทธเจ้าด้วยด้วยแม่มีศรัทธาพอลูกเกิดมาก็บอกลูกพอลูกเรื่องลู้เลียวว่าลูกเอ้ย ลูกมีพัญญาตายตั้งแต่อายุหกเดือนแล้วทุกขังสดงกชาไม่ทำบังสดงกัชาตามแม่ไปเลยมาจากภายในเข้าถึงภายในโดยเฉพาะภาคปฏิบัติเข้าถึงเมื่อถึงตัวจริงๆตอนมีทุกข์ทักับทุกข์จริงๆจนพ้นทุกข์ได้ไม่มีคำว่าเหลือคำว่าทุกข์เนี่ย อาจจะง่ายกว่ทุกโดยตรงใบทุกเป็นทุกเป็นยากถ้าภาคปฏิบัติอะทุกเป็นไม่ทุกเด้งง่ายง่ายให้หลงเป็นหลงมันยากแต่หลงเป็นลูกมันง่ายมันเอียงเหมือนหน้าเหมือนทะเลค่อยลึกลงลึกลงลึกลงเอียงลงไปเอียงลงไปไหลไปเอียงไปสู่มรสู่ผล มา่อแต่เราสัมผัสไ ด, ดีดีอย่าครึ่งคึกลางกลางมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีปัญญาแ่ที่เรารู้จักตัวเนี่ยมันพร้อมทั้งหมดมันก็เล่าความชั่วแล้วแต่ที่เรามีสตินี่ก็ทความดีแล้ว แต่อนที่เรามีสตินี่ก็จิตก็บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไปลู่ไปลู่ไ ป, ไปมันไกลอย่างกกลรนะหนึ่งวันมันจะเป็นอย่างไรเวลามาหลงจะเหมือนกระเปือ่อเพื้อนมันไมเหมือนความลู้เวยาแต่คิดหลงเฉยๆก็เปื้อนแล้วไม่ก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ก็คิดในสิ่งที่ไดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้น มันก็จิตก็บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เป็นอะไรเป็นจิตประเสริฐเป็นพระเป็นสูงขึ้นหมาได้นี่คือทรมาให้ชำระสิ่งที่ไม่ไดี อ, อกมาใช้อ่อนหวานอยู่กับางกระทาของเราแต่ตัวไขตัวเหมือนพวกเราเป็นเพื่อนกัน มั่นใจในคำสอนมั่นใจในการปฏิบัติทำอย่างนี้ทำไมเกิดเป็นพุทธเจ้าสามัญชนเมื่อปฏิบัติต่อสมัญชนที่กายที่ใจเนี่ยต่ก่อนกิเลส ต, ตัณหาลาคาโกรูบหลงมันคองเป็นกาปุขันนิกาึงยูบมันคองอยู่ อะถะเกี่ยวถาโยกมันคล้องอยู่เมิ่งได้หลักเข้ามาแล้วโชว์ขึ้นมาเนี่ยเห็นทางแล้วก็คุ้มคลองปอดภัยต่างกันอยู่มากทำให้แจ้งเปนในโดูดท้อมหลงไม่ถูกต้องจริงๆควรไม่หลงถูกต้องจริงๆเห็นแจ้ง ความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ความรู้สึกตัวถูกต้องจริงๆเห็นแจ้งไม่ต้อนถามใครเกิดขึ้นมาลอย ไ, ไม่ปล่อยทิ้งปฏิบัติลงไปได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรูมมม้มันชอบที่สุดเลยไอ้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้มันโชอบที่สุดเลยไม่มีงานอลไรที่งานชอบเท่าเช่นนี้แล้วก็เกิดความเพียรเกิด การกระทำขึ้นมามันไม่มีใครที่จะไปเอาความไม่ชอบมันพบมันเห็นมันพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นปฏิบัปธรรมเกิดก่รพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นเมื่อเห็นเราพบเห็นเรามันไม่ปล่อยทิ้งกระตือล้นช่วยรูปช่วยนาม อันใดที่เกิดเป็นพิษเป็นภัยเป็นทุกข์ตัวรูปตัวนามมันเป็นมันมาไวคือทํามาไวาำย่อมลักษาผู้พุทธทําให้ตกไปในที่ชั่วทำย่อมรักษาผู้พิทธทททรรมอยู่เป็นนิดแต่นี่ยัยงว่าสติมาไวเหมือนพ่อเหมือนแม่เลี้ยงลูกมาไวไว เกี่ยวกับลูกมาไวที่สุดพ่อแม่ที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เกี่ยวกับลูกเนี่อยากจะวิ่งเอาถ้าเกี่ยวกับลูกเนี่ยมาไวก่อใครทั้งหมดแม่ลูกไปอยู่เดี้ว อ, อกก็ยังใจแม่ยังอยู่ลูกโน่นผู้มีสติเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกที่ดูแลกายใจเนี่ จึงแต่ชื่อว่าอุปการแลค้คุณอุปการแลค้คุณคือสติสามัญญาเนี่อุปการแล้วคุณต่อกายต่อจิตได้ชีวิตจากอุปการแลนน้วคุณนี่เป็นมรรคเป็นผลก็แม่เรื่องลูกได้ชีวิตได้เลือดเลือเกิดเจ็บเจตายแต่อุปการแล้วคุณของสติที่ดูแลากายใจเนี่ย ไปมากวยผลเมื่อตกไปในชีวะ <c oughs> <c oughs> อย่าปล่อยตัวเองขึ้งให้ใจใจแล้วนี่ลองดูจะมีค่าเมื่อชีวิตเราถ้าไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์วันเดือนปีไม่จะเป็นปีใหม่ก็ไม่มีประโยชน์ มันจำใหม่เพราะว่ามีทำแล้วก็ทําได้จริงๆสิ่งที่มันเก่าก็เความหลงก็แบบเก่าความโกรกก็แบเก่าความทุกข์ก็เก่ากิเลสตัณหาก็แบบเก่าเ่ความชั่วทั้งหลายแบบเก่าเก่าน่าจะเข็ดหลาบไม่รับใช้มันดีทิ้งไปเลย มีจิตที่บริสุทธิ์หดจดจากเครื่องเสื่หมองชีวิตผมอาจารไม่เปิดเพื่อนกับเสียงใดนี่คือชีวิตของมนุษย์พัฒนาได้ของหลงมันก็ไม่มีอะไรเรารับใช่มันเฉยเจยทู่กับกองหลงคือกองรู้จุกตัว มองตรงข้ามแบบนี้เหมือนหลังมือหน้ามือเวลาหลงก็มีรูอยู่ในข้ามหลงนั่นเวลาทุกข์ก็มีรูในขวมทุกข์นั่นเวลาโกรธก็มีรูในขวอมโกรธนั่นเปลี่ยนร้ายเป็นดีอย่างนี้จะปฏิบัติดาเปลี่ยนไปอย่างนี้เนื้อก่อนเกิดเจ็บเจบตายเนือก่อนเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็ ตายเกิดดับเกิดดับทุกวันทุกครั้งทุกคราวทุกนาทีเกิดดับเกิดดับเกิดเรื่องเก่าสุขเกิดขึ้นเจ็เจ็บตายทุกเกิดขึ้นจะเจ็บตายนั้นเกิดจากความหลงในมีพบชาติหลายหลายชาติความหลงเนี่ยเกิดดับ มาใช่เกิดดับเขอหนำรูปเกิดดับของรูปหนำหนาใช่ความทุกข์ความเจ็บความเกิดความเจ็บความตายเรามีเสียทิ้ไม่ต้องอาศัยถึงเหนนี้ตระมาจจริงๆนะไม่เป็นอะไรกับอะายชีวิตประมนจไม่เป็นอะไรกับอะไรที่มันเกิดขึ้นกับปากับใจนี้ จึงไหนที่เกิดขึ้นกับกากับใจไม่เป็นอะไรกับมันเห็นแล้วไม่เป็นไปกับมันเห็นแล้วก็หลุดพ้นไม่ต้องอาใช้จึงใดอาใช้ก็ไม่เป็นอะไรเมื่อไม่เป็นอะไรกับอะไรก็ยิ่งใหญ่ที่จุดสูงสุดมงกุฎทาแล้วจุดยอดแล้วที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ยากไม่ใช่เหลือวิสัยที่เราจะทาได้ ผู้เฒ่าจึงบอกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่ควรน้อมมาเช้ตัวเราเป็นสิ่งที่ควรเก่ากับผู้อื่นมาดูมาดูาดเดวลาท่านหลงให้หลงก็ได้มาดูที่เวลาท่านโกรธไม่โกรธก็ได้มาดูทําดูเวลาท่านทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ทดําดูมีทางอยู่แบกออกไปแบกออกไป ตะโกนออกมาถ้าเราไม่เปิดไหน่อยมันมืดเนะแล้นหนึ่งไปดูคนแก่ป่วยนอนร้องไห้ในเตียง <c oughs> อยู่บนเตียง <c oughs> เรียกยังไงก็ไม่กลับมาโยมโยมพระมาเยี่ยมโยมเคยใช้บาทโนเคย แล้วสินเนเคยเห็นพระโยมใส่บาทโยมว่าพุทธังสนังกาฉามิโยมว่าใส่พุทธเจ้าจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้โยมว่าอย่างนี้ทำมังสนังกาฉามิโยมว่าใส่พระธรรมจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้โยมเคยว่าอย่างนี้เนาะเคยเห็นพระ ม, มาบินธ บ, บาดแล้วโยมโยมใส่บาท ยอมนั่งรับสินยอมทำบุญทำทานไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ร้องไห้เลยไม่ไม่ไม่รู้ทางเลยแบบนี้ถ้าเราไม่ฝึกก็มืดไปแบบนั้นนะทุกเป็นทุกสุขเป็นสุกโกรธเป็นโกรธไปไม่มีพ่อแม่ดูหมืนลูกน้อยพัดพ่อพัดไป มีแต่พิถีพิถันทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงบบบ น, นี้เรามีพ่อแม่อุปการละคนคือสติทุกข์เป็นไม่ทุกข์มองดูตรงนี้จะหลุดพ้นตรงนี้มันพ้นตรงนี้ไม่ใช่พ้นอะไรที่ไหนมันหลงไม่หลงเนีมันพ้นอย่างนี้แต่พ้นจางนี้ก็ปล่อยไกลแล้วก็เก้าแลกมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นเก้าไป ก้าวที่หนึ่งมีก็เป็นก้าวที่สงที่สอบมากขึ้นมากขึ้นเหมืนเงินบาทตรงนี้สงบาทแต่พยายามที่ตรงนี้เวลามันหลงให้รู้ขึ้นมาโดนรู้ในความรู้เห็นมันหลงจะยิ้มยิมเนะจะตืลล่นรุ่นไม่ใช่เศร้าโองไม่ใช่ความเคียดเอาผิดเป็นเห็นมันผิดไม่โชคไม่ใช่รู้ถึงตัวนั่นนะมัน ถูกจึงชอบมันสงบเออดีมันไม่สงบพุ่งสรางไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่เป็นกลางไม่ใช่มักนะแต่ติมันไม่เป็นอะไรมันสงบก็เห็นมันพุ่งสร้างก็เห็นมันเครียดก็เห็นอย่างเนี้ยมันทุกก็เห็นมันสุกก็เห็นเนี่ยมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นอย่างเนี้ยจะเป็นมักที่สุดอย่างตเนี้ยถ้าอย่างนี้ง่ายง่าย ทานได้สฉลยอดก็เป็นเจรจรก็ไม่ติดขัดถ้าเป็นเหรอติดขัดไปไม่ค่อยได้ถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไปไม่ได้เจรจรชีวิตติดขัดหัดเอาเองเทานี้ไม่ใช่เป็นวัตถุเจ้งของปีเก่ากวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ปีใหม่ ก็เสนัอจะโน้นให้เราได้รูดพ้นตรงนี้เอาแรกกันเถอะเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็เปลี่ยนหลงตั้งแต่วันนี้บิเนาทีนี้ต่อไปวิเนาทีหน้าก็าจะเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนลงไ ป, ไปใบไกลไปไกลไปไกลหนึ่งวันเจ็ดวันถึงมรรคถึงผลหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนถึงมรรคถึงผลดังช่อที่สุดหนึ่งปีเจ็ดปีถึงมรรคถึงผล นี่โอ้เราเิดชอบความศรัทธาเจ้าไม่เป็นหมันยกเมืองขึ้นก็รู้วางมือลงก็รู้่วกมือลงก็รูหนึ่งทุกคนมีความรู้ได้ไปหน่โผที่แล้วถ้ายุกมืองขึ้นรู้จักตัวนั้นแหละตัวรู้จักตัวโผที่แล้วตั้งต้นตรงนี้พระเจ้ากูเขียนเข้ารู้จักตัวเหยียดเขียนออกรู้จักตัวมันคิดถึงเพียงพอกลับมารู้จักตัวอ๋อความคิดเป็นความรู้แล้ว รู้จักตัวคู่เหยนอกนรู้จุกตัวคู่เหยืเขารู้จุกตัวมันคิดถึงเราหุน้นกลับมารู้จักตัวอ้าวควมคิดเป็นความรู้แล้วมันคิดอะไรบาท่านากลับมาเป็นความรู้เปลี่ยน้อยเป็นดีเปลี่ยนอะไรไมาเป็นความรู้ทั้งหมดนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นรู้ได้ทุกเรื่องเลยทีเดียวอันนี้สักสิทธิสุด คิดถึงพระาสาวจันวดูกลับมาคิดถึงเสาวจนมกลับมาคิดถึงพระาราชจับจินเสดงาจกลับมาคิดถึงพระเจ้าจักรพรรดิในกำมือกลับมาเนี่ยเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็มีแต่บ้านแต่เรือนคนมีลูกคิดถึงลูก <c oughs> <c oughs> คนม่เมวคิดถึงเมียคนมีผัวคิดถึงผัว คนมีก็คิดแบบคนมีคนจนก็คิดแบบคนจนเปลี่ยนมาเป็นคนรู้เนี่ยเวลานี้ไม่ใช่เา็นั่งคิดไม่มีประโยชน์รอยมันมีประโยชน์อยู่ที่รู้ถึงตัวเนี่ยเนี่ยปฏิบัติข้ามปีนะข้ามปีข้ามปีทิ้งมันจะรู้จักตัวได้ขี่ยานข้ามไปอ่านะเราจะจำนวนลงเหลือกันแต่พวกเราน้องเหลือกันเถอะ เพื่อข้ามภาคข้ามฝั่ ง, งติ้งตั้งแต่วันนี้รู้จักตัวรู้จักตัวไปเป็นยานผลสง่งเพื่อให้ข้ามพ้นจากวัตุ่ท้งสา่ถึงมักถึงฝนด้วยกันทุกคนทุกคนเธอ